เ o ้าสิ6หกหิาสคำสันธานสามค o n j u n c t i o n e r ผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังยันจะลุกขึ้นทนทีที่นาฬิกาปลุก ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ t, ska ere, ผมจะเป็กวุฒิบงานทันทีที่ฉันเรียน6บคุณจะโทรมาเมื่อไันจะเรีย <are> นทีที่ ม, มีเวลาล Så snart jeg har tid, et øjeblik. Han vil ringe så snart han har lidt tid. k u n e a r e længe? h v o r n vil du arbejde? Jeg vil arbejde så længe jeg kan. ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ ite, so er เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน他นอ n บนเตียงนานเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวส e อพิมพ์แทนทกับข้าวเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน sidder เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ซาวิทยาวีดบัวหันเฮียเท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบายซาวิทยาวีดอันสโคเน่สุเท่าที่ผมทราบเขาตกงานซาวิทยาวีดแอร์แอนอาบาร์สเ ผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลาอหมฉะนั้นฉัก็จะตรงเวลาผมพลาดรถเมล์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลาฉมไม่งั้นฉัก็จะตรงเวลาผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Jeg kunne ikke finde vej, ellers ville jeg være kommet til tiden.